วันนี้จะได้เรียนเรื่องสมาธิเมื่อวานสอนเรื่องสติสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะตเจ็กเจ็ดขวบพ่อเคยพาไปหาท่านพอลีนนสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำมาเรื่อยๆหวังว่าทำสมาธิมากๆนานๆ เดี๋ยววันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลเลยสมาธิที่ทํากันส่วนใหญ่เป็นการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสมาธิที่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องได้ความสงบเป็นสมถะมีคําอยู่สองคำนะสมถะอัสมาธินะสมถะเนี่ยทำไปแนละมีความสงบมันเป็นสมาธิที่สงบ แต่ว่าภานาไปพานาไปนะพอเรามีสติอยู่ไม่ขาดสติไม่เคลิ้มลืมเนืล้ลืมตัวนะจิตรวมจิตรวมลงไปมันได้ตัวรู้ขึ้นมามนได้ตัวรู้ขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นสมาธิอีกแบบหนึง่งสมาธิที่จะใช้ทำความสงบเนะี่ยมันมีหลักว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดู อารมณ์เป็นหนึ่งมีสิ่งเดียวแหละที่จิตไปดูดูอะไรดูตัวอารมณ์เมื่อดูตัวอารมณ์นะจิตจ้องอยู่ที่ตัวอารมณ์อารมณ์นั้นอาจจะเป็นอารมณ์บัญญัติสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อะไรก็ได้คําว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้คือตัวอ็อบเจกต์จิตเป็นตัวซับเจกต์เป็นตั ว, subject, ตวดู มีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็มีอันเดียวดูที่ไหนดูตัวอารมณ์อารมณ์อาจจะเป็นหนึ่งอารมณ์บัญญัติเช่นพุโทโธพุโทโธหรือการคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะคิดอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมาจะสัมมาอะรหังนมามะพาทะอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันหมดจะสวดอิติปิโสก็เหมือนกันหมด อยสวดอิติปิโสจิตสงบอยู่กับอิติปิโสสงบอยู่กับพุโทโธก็คือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะก็เป็นสมถะอารมณ์ต่อไปอารมณ์ที่สองนะอารมณ์ที่หนึ่งเร อ, งอารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นมาอารมณ์ที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามเช่นเรารู้ลมหายใจนะมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือลมหายใจ เห็นร่างกายหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูที่ตัวลมหายใจจิตไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยส ง, งบอยู่กับลมหายใจอันนี้ใช้รูปเป็นอารมณ์หรือเราเพ่งจิตเพ่งลงไปที่ตัวรู้ตัวนี้ห้ามทำนะห้ามทามันเป็นสมถะที่น่ากลัวที่สุดเลยการเพ่งตัวรู้เนี่ยถ้าเผลอไปเพ่งนะแก้กันเป็นปีเลยมันจะติด ติดอย่างรวดเร็วเลยพอคิดถึงสมาธิปุพบเพ่งตัวรู้ปั๊บเลยแล้วก็ค้างอยู่ออกมาอย่างนี้ค้างจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันห้ามทำคือจะเพ่งรูปธรรมนะมีรูปเป็นอารมณ์เดียวก็เป็นสมถะจะเพ่งจิตเพ่งนามหรือจะเพ่งความว่างก็เป็นสมถะ ไม่ว่าจะเพ่งรูปหรือเพ่งนามเป็นสมถะอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์ที่อารมณ์ัญญัติที่สองอารมณ์รูปนามสิ่งเหล่านี้พวกเรามีอารมณ์ที่สามอารมณ์นิพพานปุถุชนไม่มีปุถุชนไม่เคยเห็นเพราะงั้นอันนี้ข้ามไปไม่ต้องอธิบายพระริยาบุคคลเวลาที่จะเข้าสมาธิพักผ่อนสามารถเลือกได้ ถ้าชนานาญนะเลือกได้จะทาสมาธิชนิดให้จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีชื่อว่าอารามณูปนิชานก็ได้จะมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นพระนิพานอยู่พักอยู่กับพระนิพานอันนี้เป็นสมถะเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชานนะจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่จิตลักขณูปนิชานนี่เป็นสมาธิ ในขณะทำวิปัสสนาในขณะที่เกิดอริยามรรคในขณะที่เกิดอริยผลแล้วใช้พักผ่อนได้ด้วยนะให้พักผ่อนได้ด้วยส่วนสมาธิอารมณูปนิชานที่เพ่งอารมณ์เดียวนยีใช้พักผ่อนอย่างเดียวหรือใช้แสดงอิทธิฤทธ์นะเล่นอะไรไป น, นอกรู้นอกทางไปดัะนั้นสมาธิมีสองชนิดนะ ชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจะอารมณ์อะไรก็ได้ตั้งแต่อารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานนะแต่พวกเราทําให้เป็นอารมณ์นิพพานเราไม่เคยเห็นเราก็จะมีอารมณ์บัญญัติเห็นพุทโธพุทโธสวดมนต์แผ่เมตตาบริกรรมไปแผ่เมตตานี่เป็นอารมณ์บัญญัติคิดพิจารณาร่างกายปฏิคูณอสุภะอะไราเงี้ยอารมณ์บัญญัติ อารมณ์รูปนามกันดูรูปธรรมดูนมามธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ว่าเป็นไปเพื่อให้จิตได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นถึงเราจะทาสมาธนะิให้จิตแนบอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานเลยมันคือการพักผ่อนเหมือนเรานอนมากๆเราหวังว่าจะรวยไม่รวยหรอกอยากรวยก็ต้องทำมาหากิน อยากมีสติมีปัญญาก็ต้องทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำสมถกรรมฐานคราวนี้นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพวกที่ชอบนั่งสมาธิเกือบร้อยละร้อยยิ่งยุค ก, ก่อนนะได้ลักขณูปนิชานี้น้อยเต็มทีเลยอายากมากเมื่อก่อนหลวงพ่อสักสามสิปีก่อนเข้าไปตามวัดต่าง ทั้งวัดครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆนะเห็นวนะ่ท่านภาวนาดีแต่ในวัดในบางทีหาคนที่นึ่งภาวนาเป็นสักคนหนึ่งยังหาไม่ได้เลยนี่สมัยก่อนนะคนทาสมาธินี่เยอะมากเยอะกว่ารุ่นนี้นะรุ่นโตนเอะก็นั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยคนทาสมาธิเยอะแต่เป็นสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว น้อมจิตไปอยู่ในร ม, มันเดียวอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบนี่อย่างที่บอกไปเข้าคอร์สมีปรัสนาวิปรั ส, สนานะเอาเข้าจริงก็เป็นสมถะไปดูท้องพ อ, องยุบตัวท้องเป็นตัวรูปธปรรมนะไปดูตัวรูปเพ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่ที่เท้านี่ก็เพ่งรูปก็เป็นสมถะ วิปัสนาเป็นไงถ้าวิปัสนานะมันใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชานลักขณูปนิชานเนี่ยอารมณ์เนี้ยเยอะแยะเท่าไหร่ก็ได้แต่จิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเห็นอารมณ์แสดงละครให้ดูอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อยู่กับที่หรอกอันนี้แหละหักข้างกับอารมณูปนิชานนั้นนั่นเพ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์ันเดียวอันเดียวเลยไม่กระดุกระดิกเลยมีลมหายใจก็ลมหายใจเลยมีท้องก็ท้องมีมือก็มือมีเท้าก็เท้าเลยแต่สมาธิชนิดที่ใช้เดินวิปัสสนาที่เรียกลักขณูปนิชานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์หลากหลายมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรายือนอยู่บน ตึกสูงสูงเห็นรถวิ่งที่ถนนนะรถวิ่งไปรถวิ่งมาวิ่งมาทางซ้ายวิ่งมาทางขวาเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเราไม่ได้โดดลงมาจากตึกลงมาอยู่ที่ถนนเราดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกถ้าอรมันต์กิชานะจิมจะเข้าไปแหนบอารมณ์เป็นคนวงใน ถ้ารมณูปนิชานเนี่ยรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวรูปธรรมเราจ้องอยู่ที่ลมหายใจลมจะค่อยละเอียดละเอียดตื่นขึ้นนะในสุดลมหายกลายเป็นแสงสว่างจิตก็ไปหยุดอยู่กับแสงสว่างอีกนะไปเล่นอยู่กับแสงเลินอยู่กับแสงอันนี้ได้แค่นี้แหละได้สงบหรือมีอิทธิทธิ์ไปเลยแต่ละคโน ป, ปนิชานเนี่ยจิตกับอารมณ์มันจะแยกอยกอกจากกันมันจะเป็นโครานนะไม่เข้าไปรวมเปน็นอันเดียวกันนะ จิตมันเป็นคนดูอารมณ์เป็นผู้แสดงเมื่อเราดูละครเวลาเราดูละครนะตัวละครมันก็เล่นไปเคยดูละครเวทีไหมละละครที่เล่นบนเวทีเราอยู่ข้างล่างเราเป็นคนดูแล้วเหมือนดูหนังจาใครเคยเห็นหนังกลางแปลงมั้งหนังกลางแปลงมีจอใหญ่ๆอยู่ใช่ไห ม, มเครื่องฉายๆไปเราไปดูเราไม่ได้อยู่ในจอหนัง เราดูอยู่ข้างนอกหนังก็แสดงไปคนดูอยู่ข้างนอกในสภาวะที่จิตมันเป็นคนดูนะีมันจะออกมาดูอยู่ข้างนอกนะอารมณ์แสดงไปตรงที่ว่าวิปัสสนาเนี่ยต้องเริ่มจากแยกรูปแยกนามให้ได้ล้เาเห็นรูปนามแต่ล้รูปนามแสดงใจ ร, รักเนี่ยจะแยกรูปแยกนามได้นะอันแรกเลยจิตต้องแยกออกมานามมาทำอันแรกที่ต้องรักษาขึ้นมะาสร้างขึ้นมานะ คือตัวจิตผู้รู้นี่เป็นนามนธรรมนะสิ่งที่เป็นนามนธรรมมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นามนธรรมอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเจตสิกหมายถึงสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกเนี่ยไม่ใช่จิตนะแต่มันเกิดร่วมกับจิตโลบกรดหลง เกิดร่วมกับจิตความจำเกิดร่วมกับจิตแต่ไม่ใช่จิตมัไม่ใช่จิตย่งความสุขเกิดขึ้นเราเป็นคนดูความสุขดับไปจิตที่ยังเป็นคนดูโค่ล่านกั น, นหรือร่างกายจะเห็นว่าร่างกายกับจิตก็โคล่านกันร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจเนี่ยจะแยกกัน จะแยกนะอย่างน้อยที่ว่าแยกขันแยกธาตุแยกขันที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆขันนันมีทั้งห้าขันไม่ต้องตกใจว่าต้องแยกมากขนาดนั้นนะแยกให้ได้สองขันพอละขันที่หนึ่งคือจิตที่เป็นคนดูขันที่สองคืออะไรในรูปนามนี้แหละที่เป็นผู้แสดงนี่สมาธิชนิดลักขณูปนิชานยจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้แสดงไม่เข้าไปเสพอารมณ์ นะถ้าสมาธิชนิดสงบเราก็จะไปเสพอารมณ์เพลินมีปีติมีความสุขอะไรเพลิด เ, เพลินไปติดอกติดใจนะออกจากสมาธิมาแล้วก็หวยหาอยากกลับไปเสพอีกเนะี่ยละขนมปณิชานไม่เข้าไปติดอารมณ์เห็นแต่ว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปจิตมันตั้งมั่นเลยต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วก็ ไม่สามารถทำวิปัสนาได้เพราะจิตจดจมว่าไปในอารมณ์มันจะไม่เห็นว่าอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเราหล่นลงไปกลางถนนนะเกาะรถเมย์อยู่ดีๆตกไปกลางถนนโอหรถมาทุกทิศทางเลยะจะเทนมิปัสนาไม่ได้ตอนนั้นน่ะตอนนั้นต้องตะเกียกตะกายทำไงรถไม่ทับตายซะก่อ น, นแต่ถ้าเราอยู่บนตึกเห็นทุกอย่างมาทุกอย่างไปสภาวะที่เราอยู่บนตึกนอะ สภาวะที่เราแยกตัวออกมาเป็นคนดูสภาวะนั้นนะเรียกว่ามีสมาธิชนิดลักขณูปนิชาัติเพราะงั้นสมาธิมีสองสมาธินะอันนี้เฉพาะสมาธิที่ถูกนะมีสมาธิที่ผิดคือมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึง่งมิจฉาสมาธิเป็นยังไงก็คือสมาธิที่คนทั้งหลายทํากันนี่แหละที่พวกเราทํากันนี่แหละคือมิจฉาสมาธิที่ส่วนใหญ่ทากัน มิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินั่งไปเราก็เคลือ่อนไปนะหรือนั่งเราก็เคลียดเครียดไม่มีสติหรือนั่งเราก็เห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นได้เห็นหวยเห็นเบอร์อันนี้ยมิจฉาสมาธินั่งเราก็ถอดจิตไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมิจฉาสมาธิแล้ว สมาธิส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันคือมิจฉาสมาธิจะเป็นสมาธิสงบมันก็ไม่สงบนะมันฟุ้งซ่านเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ลืมเนื้อลืมตัวเป็นสลบมากกว่าสงบไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นวิชฉาสมาธินี่หลวงพ่อไม่ต้องสอนแร้วพอลงมือทําก็เป็นเองเลยนะเป็นมาแต่ชาติปาก่อนสมาธิที่ถูกมีสองอัน อันหนเรียกว่าอารามณูปนิชานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะสมาธิอย่างที่สองเรียกลักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแอเห็นอารมณ์ผ่านไปผ่านมาสมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีประโยชน์ไหมมีถ้าทําได้นะจิตใจจะแช่มชื่นเบิกบานได้พักผ่อนมีความสุขมีเรื่องมีแรง สมาธิที่จิตตั้งมั่นมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เอาไว้เจริญวิปัสนามันก็มีประโยชน์ทั้งคู่มันเหมือนอย่างการทํางานมีประโยชน์ไหมการทํางานมีประโยชน์การพักผ่อนมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ із. ทํางานอย่างเดียวไม่รู้จักพักเลยนะทำได้ไม่นานหมดเรื่องหมดแรงหรือทําแบบสังกตายทำยิ่งถ้าเราทําได้สมาธิได้ทั้งสองอย่างนะั้นถือว่าดีที่สุดเป็นอุดมคติเลยได้ทั้งสองอย่าง แต่ถ้าได้อย่างเดียวเอาลักขนูปนิชานไวนะ้จิตเป็นคนดูมีแรงดูอยู่ห้านาทีดูมปนห้านาทีที่เหลือหมดแรงไปแล้วหมดแรงก็ช่างมันเดี๋ยวกลับมามีแรงมาดูต่ออีกค่อยๆสะสมไปก็สามารถไปได้คนที่มารู้มรรคผลส่วนใหญ่นะไม่ได้เก่งชาญมาก่อนนะไม่ใช่เข้าชาญเก่งนะกระทั่งในสมัยพุทธกาล พระอรหันต์ห้าอองค์เนี่ยพุทธเจ้าท่านเคยจำแนกไว้ในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อองค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามวิชาสามเนี่ยระลึกชาติได้รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สมข้อวิชาสามเนี้ยเตวิชาพระอรหันต์ที่ได้เตวิชาเนี่ยเ้องทรงฌานเพราการจะระลึกชาติได้การจะรู้สัตว์จุติอุบัติที่ไหนได้ อาศัยพลังของสมาธิอาศัยอารัมมณูปนิชานพระอหัรชนิดนี้มี60องค์จากห0 0คือ 12% 12% ซซของพระอรหันต์นะีมีวิชาสามอีก 12% ซนะ์ะคือ60องค์นะได้อภิญญาหกได้อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ได้หูทิบตาทิพนะได้ ะระลึกชาติได้ น, นพวกนี้รวมแล้วหข้อข้อที่6ก็คือล้างกิเลสได้พระรหารเหล่านี้ 12% หรือ 60% จาก5้าร้อยเนียต้องทรงฌานไม่ทรงฌาเนเล่นอิทธิฤทธิ์ไม่ได้พระหารอีก 12% เป็นะเป็นกลุ่มที่สอีก 12% อมีก 60% เป็นอุปโตภาควิมุต อุปตกวากไม่มุคือพระอราหันต์ที่ได้อารูปฌานะพระอราหันต์ไดอารูปฌานนี้อีก60สิรวมแล้วเท่าไหร่สาซที่เหลือเท่าไหร่6กสรคือพระอราหันต์สุขวิปสัสสกะไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรคนธรรมดานี่เองเหมือนอย่างเราเนี่ยนะเข้าฌานก็ามาเป็นหรอกนะอาศัยตะเกียกตะกายมีสมาธิเป็นขณะขณะขณ ะ, ขณะไปนะค่อยๆดูไป คนส่วนใหญ่เขาก็มาด้วยวิธีนี้ตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะงั้นนํำหน้าอย่างพวกเรากะจะรอทรงฌานก่อนโอ้ยสมัยพระเมธไตรมาจสรูมันอยากจะได้ฌานหรือเปล่ายังไม่แน่เลยเนาะมันจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอาเท่าที่มีไม่ต้องทรงฌานถ้าทรงฌานได้ก็อนุโมทนาลูกศิษย์หลวงพ่อมีไม่รู้จานวนเท่าไหร่นะเพราะไม่เคยขึ้นทะเบียน แต่ไปไหนก็มีคนมาหานั่นแต่ฟังซีดีฟังเทศมาแล้วนั่นเองดูแล้วคนที่เล่นสมาธิจริงๆนะมีไม่กี่คนหรอกมีไม่กี่คนนะที่เล่นได้จริงๆอะ่ะนั่งนั่นสมาธิหลอกเด็กนั่งแล้วขาดสตียนั่ง เ, เคลิ้มไปหลับไปตื่นหนึ่งนะั่นบอกเนี้ยจิตเข้าฌานอุ้ยนั่งสลบไปนะส่วนใหญ่ก็คนธรรมดาอย่างพวกเรานิ่ง คนธรรมตาอย่างนี้แหละคือพรารหันเสียงข้างมากเสียงข้างมากไปด้วยวิธีของเรานี้แหละเพนั้นจะดูถูกนะสมาธิที่สั้นๆอย่างของเรานี้แต่ถะสั้นแบบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิมันแยกได้สามระดับทั้งสองแบบนะแยกได้สามระดับระดับอัปปนาสมาธิระดับถึงฌานระดับอุปจารสมาธิไม่ถึงฌาน อุปจาระเนี่ยอย่างที่เรานั่งแล้วก็เคลิ้มเลิ้มไปบอกอุปจาระไม่ใช่นะไม่ใช่อุปจาร ะ, ะอุปจาระเนี่ยเช่นตรงไหนเช่นเรารู้ลมหายใจนะจนกรทั้งลมดับใครเคยทาสมาธิจนหยุดหายใจบ้างพอหยุดหายใจแล้วมันกลายเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมานะเราอยู่กับดวงสว่างตรงนี้ยังไม่ถึงอุปจาระนะ แต่ตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตนะเราเล่นแสงได้ตามใจชอบนั้นนึกให้สว่างเอาไปครอบโลกก็ได้ยอ่อลงมาถ้าปลายเข็มเลยก็ได้เวลายอ่อลงมาเล็กๆนี่นะแสงจะเข้มมากเลยแสงเข้มข้นปุ๊บเลยแล้วขยายแผ่ไปเหมือนพราทิตย์เหมือนพระจันทร์งันได้เลยเนี่ยเล่นได้อย่างนี้นะเนี่ยได้ระดับนี้ถือว่าอุปจาระได้อย่างางานคณิกะอย่างมากนะได้แค่คณิกะเท่านั้นแหละนะ คณิกาสมาธิคือสมาธิชั่วขณะนี่จิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะขณะไปวาสนาเรามีแค่นี้อย่าทย อ, อยทยานมากอย่างสมาธิชั่วขณะนี้แหละพาคนไปเป็นพระอระหันตนะ์มากที่สุดมากที่สุดเพราะว่าท่านที่ส่งฌานส่งอะไรนี่มีจำนวนน้อยตั้งแต่พุทธกาลแลมายุคเรานี่ยิ่งหายากหนักก็้นอีก จะส่งชาญยังไงไหวนั่งนั่งไปเดี๋ยวลายเข้ามาเฟซเข้ามาจะส่งเขาไปได้ยังไงนะวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หูแว่วได้ยินเสียงโทรทัศน์ข้างบ้านนะได้ยินเขาด่ากันอะไรอย่างงี้นะนั่งอยู่ดีๆรถโฆษณามาอีกแล้วนะไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วนะไอ้ที่จะส่งชาญแล้วเรามาฝึกนะสมาชิ ถ้าฝึกสองอย่างได้เอาสองอย่างถ้าไม่ได้เอาอย่างที่สองสมาธิที่จิตตั้งมัน่นวิธีฝึกทำยังไงถ้าเราจะฝึกให้จิตสงบเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ที่การเลือกอารมณ์เราอย่าไปเลือกอารมณ์กรรมฐานตามอาจารย์อย่าไปเลือกอารมณ์กรรมฐานตามเพื่อนอย่างหลวงพ่อใช้อนาปนานสติอย่ามาเลือกอนาปนานสติตามหลวงพ่อให้ดูดตัวเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร เหมาะหรือไม่เหมาะดูตรงไหนสองเงื่อนไขนะอันแรกอยู่กับอารมณ์ น, นั้นแล้วมีความสุขอันที่สองอยู่อารมณ์ น, นั้นแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยไม่ขาดสติถ้ามีความสุขแล้วขาดสติก็ใช้ไม่ได้นะถ้ามีสติถ้าไม่มีความสุขจิตก็ไม่สงบนะงั้นเมื่อวานสอนเรื่องสติแล้วนะจำได้ไหมทำไงถึงเกิดสติ หากรู้สภาวะบ่อยๆก็จิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเช่นพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมนันหนีไปอะไรเงี้ยพอจิตมนันหนีไปปุ๊บรู้เองโดยไม่เจตนาจะรู้เนี่ยสติเกิดนะหรือหายใจออกหายใจเข้าให้ยใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอเปนเผลอไปกโกรธขึ้นมาลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปุ๊บสติะระลึกเองในนีน้ฝึกให้มากนี่สติสอนแล้วนะ ก็เลือกอารมณ์ต่อไปนี้เลือกอารมณ์ถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโธอยู่กับลมหายใจมีความสุขก็ใช้ลมหายใจแผ่เมตตาแล้วมีความสุขก็แผ่เมตตาแต่ว่าทําด้วยความมีสติไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวแผ่เมตตาไปหายใจร่มเย็นมีความสุขแต่ไม่ขาดสตินะไม่ให้ขาดสติให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเราเลือกอารมณ์นะ ถ้ามีความสุขจิตจะพอใจในอารมณ์ น, นั้นเมื่อจิตพอใจในอารมณ์ันนั้นแล้วจิตจะไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนื่อเคล็ดลับมันอยู่ที่การเลือกอารมณ์จิตเหมือนเด็กเด็กมันสนนะเราจะไม่ให้เด็กสนเด็กสนก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองเราจะไม่ให้เด็กสนเราก็ต้องหาของที่เด็กชอบมาหลอกเด็กมายั่วเด็ก อย่างเด็กเนี่ยชอบกินขนมแล้วก็หาขนมมาไว้เต็มบ้านเลยเด็กก็ไม่หนีไปไหนเลยนั่งกินขนมตัวกลมอยู่ที่บ้านนะนะเด็กนี่ชอบเล่นเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นๆไอ แ, แ d ดเออชอบเล่นนะพ่อแม่ยุคนี้ก็ซื้อให้มันเล่นตัวเองก็ไม่ทำอย่างอื่นลูกก็นั่งเล่นง่วนอยู่ทั้งวันนี่มันพอใจมันมีความสุขมันไม่หนีไปที่อื่น แต่อย่เลี้ยงลูกด้วยเอ็กเครื่องอุปกรณ์อย่างนี้นะลูกจะเสียคนนะลูกจะผิดผิดบนรทธรรมดานะพี่คนพิการเข้ากับโลกไม่ได้ต่อแปข้างหน้าไม่ดีเลยไอ้คนผลิตเองอมันไม่ให้ลูกเล่นนะมันไม่ให้ลูกมันเล่นหรอกมันให้ลูกคนอื่นเล่นลูกมันมันรักนะมนไม่เล่นเนื่องเพราจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นโดยไม่ต้องบังคับ เห็นไหมคสอนหลวงพ่อมีแต่ให้มันเป็นเองไม่มีการบังคับเลยเงั้นเราอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตมันก็อยู่กับลมหายใจโดยไม่หนีไปที่อื่นโดยไม่ต้องบังคับไปดูเอาเองว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไรไปดูแต่ต้องไม่ขาดสตินะถ้าขาดสติใช้ไม่ได้เลยมันเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยส่วนสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ย มีหลักยังไงสมาธิจิตสงบณนะหลักนิดเดียวคือเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสนะถ้ายั่วกิเลสไม่มีสตินะก็มีสติกำกับอยู่ด้วยนั้นอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสเพาถ้ามีกิเลสเนี่ยไม่มีสตินะส่วนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยใช้อารมณ์มันเดิมนั่นแหละแต่ปรับวิธีดูไม่ได้ให้น้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ เช่นเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตไปจับอยู่ที่ลมได้สมาธิสงบถ้าเราจะปรับขึ้นมาเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายนะนะั่นแหละแล้วรู้ทันจิตเคล็ดอยู่ตรงนี้ทำสมาธิไปอย่างที่เคยทำแล้วรู้ทันจิตงั้นเราหายใจไปนะจิตมีความสุขก็รู้นะจิตไหลไปจมกับลมหายใจมันเคยไหลไปที่ลมหายใจเนะี่ย ไหลไปหาลมหายใจเพื่อจะไปนอนพักอยู่กับลมเราก็รู้ทันว่าไหลเข้าไปที่ลมแล้วจิตไหลไปคิดนั่งหายใจไปใจไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตไหลไปคิดทําสมาธิอย่างหนึ่งนะที่เคยทำนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ทําแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะทําแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไป ดัจิตเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่จะเป็นลักขณูปนิชานให่มารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันอันนึงเคลื่อนไปคิดก็ฟุ้งซ่านอันนึงเคลื่อนไปจับอารมณ์ก็จะสงบแต่สงบแบบอารามณูปนิชานแบบสมถะการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั้นจิตจะเลิกเคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยแรงผลักของความฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปหาอารมณ์ ถ้าเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเมื่อเกิดสติกิเลสจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อได้มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อได้มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อวานถึงสอนเบสิกเลยเรื่องสติสติแล้วเพื่อจะขยบขึ้นมาให้เกิดสมาธิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนสติเพื่อจะขยบไปสู่ปัญญาใครที่มาวันเดียวพรุ่งนี้ให้มาอีกวันหนึ่งได้ไม่ว่ า, างั้นเรียนไม่จบหลักสูตร งันเราก็อาจจะพุโทโธไปก็ได้นะเราเคยพุโทโธสใบายใจพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ในความนิ่งความว่างรู้ทันรู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปจับอยู่ที่ทอ้องเพรรู้ทันเนื้อดยอย่างนี้เรื่อยๆ เดินจงกรมนะจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตจะไหลมาเพ่งร่างกายมาเพ่งเท้าเลยรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ต้องห้ามอยากเคลื่อนให้เป็นเคลื่อนแต่มีสติรู้ถ้าห้ามจะเครียดถ้าเครียดนี่เลิกเลยนะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตชนิดโทสะมุรจิห้ามห้ามเคลี่เพราวนาต้องต้องสบายๆนะอิซี ต้องสบายสบาย <N ee> นี่คือหลักนะถ้าจะให้ได้สมาธิชนิดสงบก็มีหาอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นไม่ย่วกิเลสอะมีสติหรือว่าอ า, ารมณ์นั้นไปไม่ขาดสติไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าต้องการสมาธิชนิดที่จิตตั้ง ม, มั่นเป็นคนดูให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามานะแล้วสมาธิทั้งสองอย่างนี้แหละจะเกิดเอง คำสอนของหลวงพ่อนี้นะมีแต่เรื่องเกิดเองเท่านั้นเลยทำเหตุแล้วเกิดผลเองทําเหตุแล้วเกิดผลเองทุกเรื่องเลยหัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วเกิดผลคือเกิดสติน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นเหตุเกิดผลคือสมาธิชนิดสงบมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผลไหมมีเหตุมีผลอย่างนี้ตลอด งันธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีเหตุกับผลเหตุกับผลทุกเรื่องเลยนะยกเว้นอันเดียวที่พ้นจากเหตุกับผลคือนิพพานนิพพานไม่มีเหตุนั้นะนั้นมีเหตุกับผลสิ่งที่เรียกว่าเหตุนั้นมีหประการฝ่ายดีสฝ่ายชั่วสฝ่ายชั่วคือโลภะโทสะโมหะนี่คือเหตุฝ่ายดีอะโลภะอะโทสะอนะโมหะอะโลภะ ไม่โลภคือตัวสันโดษอาโทสะคือตัวเมตตาอโมหะคือตัวปัญญานี่คือเหตุฝ่ายดีเหตุมีทั้งดีได้ชั่วงั้นที่เราฝึกนะฝึกทำเหตุที่ดีได้ผลที่ดีเราไปทำเหตุที่ชั่วเราก็รับผลที่ชั่วงั้นที่สอนนี้เป็นทั้งเหตุกับผลดังนั้นเ มีเหตุอย่างนี้เกิดสติมีเหตุอย่างนี้เกิดสมาธิมีเหตุอย่างนี้เกิดปัญญามีเหตุอย่างนี้เกิดวิมุตต์วิมุตต์มรรคผลมีเหตุไหมผลอริยผลมีเหตุไหมมีเพราะมีอริยะเหตุคือตัวอริยมรรคเป็นอริยะเหตุทําให้เกิดอริยผลมรรคผลแต่นิพานไม่มีเหตุมีผลนิพานเป็นหนึ่งสิ่งใดยังมีเหตุอยู่ถ้าเหตุเกิดสิ่งนั้นเกิด ถ้าเห็นดับสิ่งนั้นดับมรรคผลเกิดเราดับไหมมรรคผลเกิดเราดับทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นโลกุตระนี่แนละเกิดเราดับโลกุตระไม่ใช่เที่ยงนะมีแต่นิพพานเท่านั้นที่เป็นโลกุตระเราเที่ยงนราสุขก็เป็นอนัตตาแต่พระเจ้าไม่พูดเรื่องเที่ยงเรงสุขนะท่านพูดเรื่องชี้ลงไปที่อนัตตาท่านกลัวพวกเราไปติดเที่ยงเดี๋ยวไปวาดภาพโลกพระนิพพานที่อมตะขึ้นมาขนาดไม่สอนอยังไปวาดภาพกันเองเลยนะ เอาไปกินข้าวได้นี่หมดเลยครับ